ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สมมาสำพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรคิตาจารย์ชาวศรีลังการจนาต่อไปจะเป็นการพนานาการตัดสรุ้ต่อจากคราที่แล้วพระพุทธรคิตาจารย์ใส่ใจถึงคำทักท้วงว่ายะถาภูตาญาณทัศนนี้ไม่ได้มีแก่เท้าสกะ ผู้มีจักสุขเห็นอัดหนึ่งพันซึ่งสามารถคิดอัดหนึ่งพันโดยชั่วขณะหรือแกมหาพรหมผู้สามารถทำหนึ่งพันโลกธาตุให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันผู้บรรลุความยิ่งใหญ่ในฌานและนิวรณ์ละนิวร์ทั้งหลายได้ก็หรือแกฤาษีทั้งหลายมีกาลเทวินดาบทและนารถดาบทเป็นต้น ผู้เข้าไปป่าจิมภานแล้วได้กายาวิเวกมีอภิน ญ, ญามากสามารถเห็นแทงตลอดอัดทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตแต่เป็นญาณทัศนะอันสุขุมละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยทำให้แจ้งแม้ด้วยความฝันตลอดการอันไม่มีเบื้องต้นสำเร็จแก่พระมหาบุรุษนี้แลผู้เว้นจากการอ้างถึงครู ผู้บวชเองได้อย่างไรดังนี้จึงกล่าวว่ากัปปะโกติสเตนาปิด้วยร้อยโกรธกับแม้ด้วยร้อยแห่งโกรธกับเป็นต้นในข้านั้นคำว่ากัปปะโกติสเตนาปิแม้ด้วยร้อยแห่งโกรธกับความว่าพราะมหาบุุษนั้นทรงกระทําทานนั้นๆในแต่ละชาติให้เป็นอารมณ์ เนื่องด้วยทรงให้ไม่เหลือแม้แต่ชีวิตในสี่อสมัยหนึ่งแสนกับอันเป็นชาติสมภารที่นับประมาณไม่ได้คืออันเคใครไม่สามารถจะประมาณคือนับได้ด้วยร้อยโกรดกับพันโกรดกับหรือแสนโกรดกับทรง ท, ทรงทำความโลภที่เกิดแล้วเกิดเล่าให้พินาศไปกระทําให้ละเอียดจุกขุมอย่างยิ่งทำพระองค์ให้ถึงความเป็นผู้ควรกล่าวว่า ชื่อว่าความโลภย่อมไม่มีในสันดานของพระมหาบรุษอันหนึ่งพระมหาบรุษทรงห้ามความโกรธซึ่งมีความเกลี้ยกราดเป็นลักษณะและโทสะซึ่งมีความประทุษร้ายเป็นลักษณะด้วยศีลบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีบรรเทาไฟคือความโกรธความริษยาความตรณีและความเดือดร้อนใจที่ถลอกด้วยความโกรธนั้น ด้วยการรดด้วยน้ำคือเมตตาตลอดการยาวนานเมื่อปัญญาเพิ่มพูน ด, ดีแล้วในชาติมิใช่น้อยพระองค์ทรงตัดโมหะทรงละความเห็นวิปริตละและมิจฉาทิฐิอย่างนั้นแลทรงมีปัญญาบริสุทธิ์อย่างดีเมื่อทรงเข้าไปหาครูก็ทรงเข้าหาพระพุทธเจา้าพระปจเจ ก, กับพุทธเจา้าสาวกของพระพุทธเจา้า และเหล่าชนผู้ที่มีปัญญามากอื่นๆทรงถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษทรงบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายบำเพ็ญธรรมที่ประกอบด้วยปัญญาให้เพิ่มพื้นทรงประพฤติอ่อนน้อมต่อมารดาบิดาและลุงเป็นต้นซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในตระกูลด้วยการไหว้การนับถือการบูชาการให้อาถรรพ์การลุกจัดอาถรรพ์ และการต้อนรับเป็นต้นทรงแสดงความยำเกรงแก่บัณฑิตทั้งหลายผู้ประกอบด้วยคุณคือมารยาททรงบรรเทามานะและอุทธจักรทรงกำจัดมานะและความเดือดร้อนใจได้แล้วทรงทําขันติเมตตาและความเอ็นดูให้เพิ่มภูนขึ้นพระมหาบุรุษทรงสละชิริราชสมบัติออกผนวดทรงทําฌานให้เกิดขึ้นในการบวชนั้นทรงข่มนิวรทั้งหลาย ทรงทำลายความยินดีในหญิงอันเป็นการมราคะที่บังเกิดในแต่ระชาด้วยเนคขมมะทรงละมิจฉาวาจาซึ่งเป็นท้ายคำที่กล่าวฆ่าเคลื่อนแต่ชาวโลกด้วยสัจจะบา ร, รมีทรงบรรเทาความไม่ยินดีในกุศลธรรมอันยิ่งทั้งหลายและความเกียดครา้าทรงประคองจิตทรงทำสันดานให้บริสุทธิ์ ด, ดีด้วยวิริยบา ร, รมี ทรงบรรเทาเหตุแห่งกิเลสนั้นๆด้วยทานเป็นต้นอย่างนี้ทรงทํากิเลสที่พระองค์ทรงทําให้บริสุทธิ์ในชาติหนึ่งแล้วกลับเกิดขึ้นมาอีกให้บริสุทธิ์แม้อีกรวมความว่าพระองค์ทรงชําระมนทินแห่งจิตชําระมนทินคือโมหะพร้อมทั้งบริวารให้หมดจดยิ่งขึ้นทรงเพิ่มพูนสัตตินีวิริยินรี์สตินินรีสมาธินีปัญญินรี ในตีอสงไขยหนึ่งแสกับทรงสวยพระชาติเป็นพระเวทสันดรทรงกระทํำทมที่ทําความเป็นพระพุทธเจ้าให้สําเร็จด้วยการให้พระนางมัตรีประทัดอยู่ในภพดุติตรรอคอยเวลาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบุคคลอื่นจะเป็นเท้าสักกะเป็นมารเป็นพรหมหรือเป็นดาบทผู้ที่ตั้งสมกุศลสมทานในเวลาที่ประมาณไม่ได้อย่างนี้ย่อมไม่มี ถ้าบุคคลแม้อื่นมีการสั่งสมกุศลสมทานในเวลาที่ประมาณไม่ได้อย่างนี้ก็จะพึงเป็นผู้มีอินทรียบริสุทธิ์ดีอย่างนี้แม้บุคคลนั้นก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงมีความประชุมพร้อมเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้มีความประชุมพร้อมกันอะไรจะเป็นโทษในข้อนั้นก็อะไรชื่อว่าเป็นการประชุมพร้อมแห่งความเป็นพระพุทธเจ้านั้นคือ ความที่การทวีประเทศตระกูลพระบิดาพระมารดาอายุอภรส า, าวกมหาสาวกสาวิกาและอุปถาผู้เลิศเป็นต้นเกิดมีในเวลาเดียวกันท่านพระพุทธรักษ์กิตาจารย์ครั้งแสดงเหตุเกิดขึ้นแห่งยะถาภูตญาณทัศนะของพระมหาบุรุษนั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงเหตุแม้อื่นอีกจึงกล่าวว่า สุดุกรังกริตตวานะพระมหาบุรุษทรงกระทําสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งนักเป็นต้นในคาถา น, านั้นคําว่าปุเรในปางกรความว่าครั้งแรกพระมหาบุรุษทรงทำบุญมีทานเป็นต้นที่ทําได้ยากยิ่งตั้งแต่แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทีปางกรไม่ทรงปรารถนาสมบัติอะไรในภพแต่ทรงปราถนาว่า ทานของเรานี้จงไม่มีผลเพื่อประโยชน์แทงสมบัติของท้าสกะจงไม่มีผลเพื่อประสมบัติของมารและพรหมจงไม่มีผลเพื่อสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิแต่จงมีผลเพื่อความเกิดขึ้นแทงพระสัพพัญยุตยานเท่านั้นส่วนชนเหล่าอื่นทําบุญนั้นๆแล้วก็ปรารถนาทิพยะสมบัติและมนุษยสยมสมบัติได้ผลตามสมควรแก่สิ่งที่ตนปรารถนานั้นๆ แล้วก็เสวยผลบุญส่วนพระมหาบริษนี้ไม่ทรงทำอย่างนั้นทรงตั้งความปรารถนาว่าบุญที่ได้ทำแล้วทาแล้วจงมีเพื่อพระโพธิญาณเท่านั้นเหมือนบุคคลเติมข้าวเปลือกให้เต็มฉางข้าวรักษาไว้ไม่ให้อะไรเสียไปเพราะเหตุนั้นบุญและความปรารถนาที่พระองค์ได้ทำไว้ตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเมื่อไม่ได้โอกาสเพื่อจะรวมลง ให้ผลในอัตภาพหนึ่งในบัดนี้ก็ได้เป็นเหมือนถึงความอึดอัดบัณฑิตเพงตัดสินใจในข้อนี้ว่าบุญยสมทานที่ประชุมลงในที่แห่งหนึ่งด้วยกำลังความปรารถนาอย่างนี้ย่อมทำโพธิญาณให้สำเร็จได้โดยไม่ต้องสงสัยบัดนี้พระพุทธรัตีตาาจารย์เมื่อจะแสดงความเกิดขึ้นแห่งพระสัพพัญญุตญาณ จึงกล่าวว่าตะโตโสสั บ, บะสังขารเรพระมหาบุรุษนั้นข้อความละสังขารทั้งปวงข้อความละเพราะเหตุนั้นเป็นต้นคําว่าตะโตเพราะเหตุนั้นได้แก่เพราะเหตุนั้นคือเพราะทรงละองค์แห่งกิเลสทั้งหลายนั้นเพราะทานเป็นต้นได้แก่เพราะทรงตัดโมหะที่ทําผลทางคือนิพพานให้มืดมิดอยู่พร้อมทั้งมูลรากได้แล้ว คำว่าสับรสังขารเรสังขารทั้งปวงความว่าพระมหาบุรุษพิจารณาคือใครีเครืนบ่อยๆถึงขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปโดยความเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์และเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะทนได้ยากแล้วก็เป็นเหตุแห่งทุกข์โดยความเป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นไปในอำนาจและเพราะไม่เชื่อฟังได้แก่ ทรงพิจารณาเนือ ง, งโดยความเป็นของไม่เที่ยงทรงองค์แห่งปฏิจจทูตบาทแต่ละข้อลงสู่วิถีแห่งการพิจารณาเห็นตัดตั้งแต่การพิจารณาเป็นกลุ่มคือกลาปสัมมสนะโดยอนุโลมคือโดยลําดับย่อมละนิจจสัญญาคือความหมายรู้ว่าเที่ยงได้เมื่อพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาคือความหมายรู้ว่า เป็นสุขได้เมื่อพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาคือความหมายรู้ว่าเป็นอัตตาตัวตนได้เมื่อเบื่อนายย่อมละความเพลิดเพลินได้เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะได้เมื่อดับย่อมละสมุทัยได้เมื่อสละออกย่อมละความยึดถือคืออาฐานะได้อันนี้เป็นอนุปัสนาเจตที่พระโพธิสัตว์ทรงบําเพ็ญทรงเจริญ พระมหาบรุทนั้นทรงปฏิบัติแล้วอย่างนี้จึงทรงบรรลุญาณแปดคืออุททยัพยาอุทย พ, ย า, ท ย, พ ย, าายานุปัสนาญาณปริชา ย, ายานในการตามเห็นโดยความเกิดดับพังคานุปาานัสนาญาณปัญญายานในการตามเห็นโดยความดับพยัพญานุปาานัสนาญาณปัญญายานในการตามเห็นด้วยความเป็นภัยอาทีนวานุปาานัสนาญาณปัญญาตามเห็นในการเห็นด้วยความเป็นโทษ นิพิทาลุปัสนายานปัญญาตามเห็นโดยความเบืออ่อหน่ายมูลจิตตุกรรมยาตาลุปัสนายานปัญญาตามเห็นโดยความไข่ในการที่จะหลุดพ้นปฏิสังขานุปัสนายานปัญญาญาณในการพิจารณาทวนกลับสังขารูปเปขายานปัญญาญาณในการที่จะเห็นโดยความวางเฉยในสังขารทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็เป็นวิปัสนาญานแปดนะเป็นพลวะวิปัสนานะ ไม่ได้พูดถึงนามารูปะแล้วก็ปัจยานปริคหายาสมัส น, นัญาณเริ่มตั้งแต่อุทยพญยายอุทยพญญ า, า, า, า, าที่มีกำลังเป็นพระวิปัสนาญาณเจเลยก็ญาณทั้งแปดนั้นอันพระมหาบรุษนั้นบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าในการก่อนทั้งหลายเรียนพระไตรปิฎกยังลงสู่หนทางแห่งวิปัสนาแล้วได้มาอบรมทำให้มากแล้วดำรงอยู่เหมือนดวงประทีป ท, ที่ส่องสว่างอยู่ภายในกุฏิ เพราะเหตุนั้นยานทั้งหลายจึงมาถึงเร็วพลันแลศจานุโลมวิกาณที่เก้าคือปัญญาหรือว่ายานะในการคล้อยตามสัจจะทั้งหลายนั่นแลที่ยังไม่เคยได้ก็ได้ตั้งอยู่แล้วเมื่อพระมหาบุษก้าร่วมยานนั้นแล้วโสดาปฏิมขยานที่มีนิพายเป็นอารมณ์ก็สำเร็จเหมือนบุคคลที่เดินมาสู่หนทางไกลคิดจะเข้าไปยังเรือนของตน จึงเข้าไปภายในแต่ชายคาเรือนเมื่อเขาเปิดประตูเรือนก็ไม่ควรหยุดยืนที่ธรณีประตูชั้นใดการที่ยานแปดมาโดยลำดับอย่างนี้แล้วจะหยุดอยู่ที่สัจจานุโลมิกยายนก็ไม่ควรชั้นนั้นเพราะเหตุนั้นพระมหาบุรุษนั้นมาแล้วโดยลำดับแห่งยานเมื่อกำจัดความมืดที่ปกปิดสัจจะได้แล้วด้วยสัจจานุโลมิกยายนสามประการ ที่มีชื่ออย่างอื่นคือบริกรรมแล้วก็อุปจาระแล้วก็อนุโลมท่านก็สนทิก็เลยนะปาลิกัมโมปัจจารานุโลมะยานความจริงก็คือเป็นอนุโลมยานที่ประกรอบด้วยจิตที่เป็นบริกรรมอุปจาระแล้วก็อนุโลมก็ได้เห็นนิพพานด้วยโสดาปิมัคคาานซึ่งอยู่ในลําดับในลําดับแห่งโคตรตรพูยานยานที่ข้ามโคตร เหมือนมองดูดวงจันทร์ในท้องฟ้าอันหมดจดฉะนั้นด้วยเหตุนั้นพระมหาบุรุษนั้นจึงละกิเลสสามอย่างนี้ได้คือสักกายยทิฏฐิความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นกายของตนเป็นอัตตาวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลใจและสีล้วประดับรามาธาลูกรลำลูกรลำข้อบดีบัติคือสีแล้วทศที่ผิดพระมหาบุรุษเมื่อพิจารณาอย่างนี้และอีกตั้งแต่อุททยพย า, ยานุปัสนาญาณ เผากิเลสที่เหลือด้วยอริยมรรคเผากิเลสพร้อมทั้งวาสนาไม่ให้เหลือแม้เพียงโทสะที่เป็นวาสนาซึ่งมีเล็กน้อยด้วยอนุสยายานทรงมีจิตบริสุทธิ์เพราะอรหัตผลเกิดขึ้นประทับนั่งตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่พื้นต้นโพเพราะบรรลุพระอรหัตผลนั่นแลปฏิสัมภิทาสี่ก็คือปัญญาที่แตกฉานสี่อย่าง ในอัตในธรรมในนิโรติและก็ในปฏิพานอสาธารณยาณหก็คือยานที่ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลายก็ได้แก่อสยานุยสยะอสย่าอสยานุสยะยานปัญญาทีา่รู้อัตยาสัยอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายาแล้วก็อินตริโยปริยตยิริยะประโรปริยัติยานรู้อินทรีย์ความหย่อนความยิ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลาย มหากรุณาสมาปฏิญานก็ปัญญายาณในการที่มีกรุณาอย่างยิ่งยงมะกะปฏิหารระยะยานปัญญานในการที่จะรู้วิธีการทํายมกปาติหารแล้วก็อนาวรณญาณสัพพัญญุตญาณ น, น, นี้ก็เป็นหกยานสัพพัญญุตญาณก็รู้ทุกสิ่งทุกประการอนาวรณญาณก็ปัญญานในการที่ไม่มีเครื่องขัดขวางอะไรทั้งสิ้นในการที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะ อ, อ, อาณาวรณญาณกับสัพพยุติญาณ น, นี่ก็อันเดียวกันนะนะนะเป็นกิจกระายเท่านั้นเองอาสานธรณญาณหกแล้วก็พุทธญาณสิบสี่พุทธญาณสิบสี่ก็ปัญญาในการรู้อะไรบ้างนะาาปัญญาในการรู้อริยสัจสี่แล้วก็อาสานธรณญาณหกนะครับปฏิสามพิทาสี่นั่นแหละมากลายเป็นสิบสี่นะอาเวนิกะธรรมสิบแปดนะก็คืออ ธรรมที่เป็นเฉพาะพระพุทธเจ้านั่นเองเอาวีานิก็ทําม18ประการนะเช่นพระพุทธเจ้าม่มีการหัวเราะร่าเริงพระพุทธเจ้าไม่มีการที่จะมาทําอะไรแบบหลงเลือนญาณของพระพุทธเจ้านี้ไม่ติดขัดในอดีตหนึ่งในอนาคตหนึ่งในปัจจุบันหนึ่งแล้วก็กายกรรมวิชีกรรมมโนกรรมสาม่างนี้เป็นไปคล้อยตามพยาณนะเป็นหกและ ฉันทะไม่เสื่อมการแสดงธรรมไม่เสื่อมความเพียรไม่เสื่อมสมาธิไม่เสื่อมปัญญาไม่เสื่อมวิมุตติไม่เสื่อมอีก6ประการก็เป็นสิบสองแล้วก็ไม่มีการกระทําเล่นๆไม่ทําโดยผลขันธ์ไม่ทําโดยที่สิ่งที่ญาณสัมผัสไม่มีไม่มีการกระทําแบบรีบด่วนแล้วก็ความคิดแบบไร้จุดหมายก็ไม่มีการวางเฉยแบบไม่ได้พิจารณาก็ไม่มีอีกหประการก็เป็น18อย่างเขาเรียกว่าอัถารสะพุทธธรรม อัฏฐารัศพุทธธรรมธรรมสิบปประการหรือว่าอาเวนิกคุณนะธรรมเฉพาะพระพุทธเจ้าสิบแปดระการแล้วก็ยังมีภละอีกสิบนะทศพลยานนะทศพลยานยานที่เป็นกำลังสิบประการนะก็ได้แก่พวกฐานาฐานายานพวกชานังคะสังกิเลสะต่างๆนี่นะก็คือทำให้รู้ความเข้าหม อ, ของของฌานสต่า ง, งๆรวมทั้งกรร ม, มวิปากยาน แล้วก็ผูกเพรนิวาสานุสติผูกเพรนิวาสานุสติญาณจตูปปาปะพยานอัตโขยายานอันสุดท้ายอนเนกาทาตุนานาทาตุญาณนาน า, น า, น า, นานที่มุติกญาณเวกเนี้รู้ความเป็นธาตุรู้ความเศอ้าหมองอินทรีย์ต่างๆเหล่านี้รวมทั้งเวสารัชยานสี่ประการด้วยนะะปัญญายาณที่ทำให้กล้าในการที่จะมีปติญญาสี่อย่างก็คือ สัมมาสัมพุท ธ, ธปฏิญญาอะคีนาสวัปฏิญญานียญานิกธรรมเทศนาแล้วก็อันตรายิกธรรมเทศนาแล้วก็เป็นวิสารัชยาศสียาเป็นต้นสำเร็จแล้วเวลาที่อรุณขึ้นกับการได้รักษาพัยุติธามได้มีในขณะเดียวกันบัณฑิตดำรงอยู่ในที่นี้แล้วพึงนับวิสุทธิเจประการก็พระมหาบุรุษนั้นประทับยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้าอโนมา ทรงผนวดแล้วได้สมาทานสังวรที่ชื่อว่าสังวรได้แก่อาชีวัฒนมาตสีนชื่อว่าอาชีวกรรมตาตสีนก็คือกายกรรมสามนี้คือเจตนางวัตเว้นจากปานานิบาศหนึ่งเจตนางวัตเว้นจากอธินาทานหนึ่งเจตนางวัตเว้นจากอภพรมจันหนึ่งเวชกรรมสี่อย่างนี้คือเจตนางวัตเว้นจากมุสาวาตหนึ่งเจตนางวัตเว้นจากสิตุนาวาจาหนึ่ง เจตนางวัดเว้นจากรู้สวัสดีหนึ่งเจตนางวัดเว้นจากสาา 1, ากัมผัสปราปะหนึ่งที่ชื่อว่าอาชีวัตถมะกะศีลเพราะเพิ่มอาชีวะต่อจากกายกรรมสามแล้วก็บจิกรรมสนีะ่รวมเป็นเจ็ดนะอาชีวัตถอีกหนึ่งอาชีวะอีกหนึ่งก็เลยเป็นแปดเรียกว่าอาชีวัตถมะกะศีลศีลมีอ า, อาชีวะเป็นที่แปดดังกล่าวมานี้แม้การสำรวมอินทรีย์ก็เป็นข้อวัดที่พระมหาบริษ ทรงประพฤติเป็นปะกะติแล่กิเลสทั้งหลายที่เป็นไปด้วยสามารถแห่งบิณญญัตและปริยุทธานสูญสิ้นแล้วเพราะทําลายความกําหนัดตามที่กล่าวแล้วในตอนต้นแลเพราฉนั้นวิญยตต่างๆนี้ก็ถูกละด้วยด้ศีลที่พระองค์ทรงสมทานด้วยสํมดวงนี้ปริยุทธานก็เหมือนกันนะถูกข่มเอาไว้ด้วยกําลังของเนคขมะพระมหาบุตรทรงละอนุสัยกิเลสด้วยอรหัตมัชนั่นแล นี้เป็นศีลวิสุทธิของพระมหาบุรุษนั้นศีลวิสุทธิของพระองค์ก็สมทานด้วยการมีอาชีวธรรมะศีลตัดได้เด็ดขาดตัดเป็นลสัยเด็ดขาดได้เมื่อเป็นอรัตตมัรรนะส่วนสมาบัติแปดและอภิญญาห้าที่พระมหาบุรุษทรงทําให้เกิดในสำนักของอาราดาบดและอุทกดาบดถูกมนทินจัก พระระองค์ไม่ได้เจริญในเวลาบำเพ็ญทุกขกิริยาในครั้งนั้นพระมหาบุรุษเสวยข้าปายาที่นาสุชาดาถวายแล้วทรงพักผ่นกลางวันในป่าสาละทรงทรรมสมาบัตรปดและอภิน ญ, ญาห้าให้บริสุทธิ์แล้วนี้เป็นจิตตะวิสุทธิของพระมหาบุรุษนั้นจากนั้นพระมหาบรุษประทับนั่งณนะโพธิบัลลังก์ทรงสาเร็จ ปุเตนิวาสานุสติยานในปฐมยามทรงเห็นความเกิดขึ้นแห่งนามรูปโดยประการดังกล่าวแล้วทรงทำลายสกายะทิฐินี้เป็นทิฐิวิสุทธิของพระมหาบุรุษนั้นจากนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นเหล่าสัตว์ผู้เข้าถึงตามตําด้วยทิพยจักสุทรงทำผลแห่งกรรมให้ประจักษ์ในมัชมยามนี้เป็นกังขาวิตรณะวิสุทธิของพระมหาบุรุษนั้น จากนั้นในปัจฉิมยามเมื่อพระมหาบุรุษทรงอย่างยานหลงลงในปัจจ雅การเมื่อพระมหาบุรุษทรงอย่างยานลงในปัจจ雅การมีองค์สิบสองทรงพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมด้วยสามารถแห่งการพิจรารณาเหล่าสัตว์ตั้งแต่ตรงพิจารณาเห็นเป็นกลุ่มโดยประลาบนะตั้งแต่พิจารณาเห็นโดยเป็นกลุ่มเป็นกระลาบสมรสมะ เปิดกล า, าปะสมณนะจนถึงทรงพิจารณาเห็นเป็นหมูสัตว์โอภาสเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วก็โอภาสของพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้เป็นเหมือนของชนลาวอื่นเมื่อพระองค์รวบรวมธรรมคือวงแห่งปฏิจจสุบาทที่เป็นไปอยู่แก่พระองค์และแก่สัตว์อันหาประมาณมิได้โดยมหาวชิระโดยมหาวชิระยานอันกล้าแข็ง เป็นองค์สิบสองแล้วทรงแบ่งรมแม้ทั้งหมดนั้นออกเป็นสองส่วนคือนามและรูปอีกทรงเห็นอยู่โดยความเกิดขึ้นและความเสื่อมวิริยะก็เป็นอันประคองไว้ดีแล้วสติปรากฏดีแล้วจิตก็ตั้งมั่นดีย่อมนำปัญญาที่กล้าแข็งมาให้เมื่อพระองค์มีจิตอันทำทั้งหลายมีความสงบระนับเป็นต้นประคองแล้วอย่างนี้เพราะท่านกล่าวไว้ว่า อุปกิเลสิปประการนี้คือโอภาสแสงสว่างปิติความอิ่มใจมาสัติความสงบเย็นญาณความอย่างรู้ศรัท ธ, ธาความเชื่อสติความระลึกได้สุขความสุขทั้งทางกายและทางใจวิริยะความเพียรอุเบกขาความที่จิตเป็นกลางนิการติความพอใจปิติอันมีวันละห้าเกิดขึ้นแล้ว ฮาไทยผ่องใสอินทรีย์ทั้งหลายก็ผ่องใสโลหิตก็ใสรัศมีที่ต้านออกจากสริระก็ได้ส่องไปจับแผ่นดินก็คือปังสุ ป, ปัทวีนะดินที่เจอฝุ่นภายใต้แล้วก็เล่นทะลุไปจับน้ํารองแผ่นดินส่องทะลุน้ํารองแผ่นดินไปจับลมรองน้ําจนเป็นสีเหมือนสีทองไปหมด สาแสงไปยังอากาศที่ปลอดโปร่งก็คือแล่นไปตูอากาศที่เป็นอัจฉติอากาศอันเวิงว้างรัศมีตาต่องอากาศที่ปลอดโปร่งจนเป็นสีเหมือนทองเบื้องบนถึงพวกระพรมเปล่งแสงไปยังอากาศที่ไม่มืดมิดรัศมีทั้งหลายอันมีสีเหมือนทองสาแสงไปด้านขวางในโลกธาตุทั้งหลายอันประอันไม่มีประมาณประมาณไม่ได้นนี้ก็เป็นโอภาษของพระ พุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญตอนที่เจริญวิปัสนาแล้วก็อยู่ในขั้นของอุทยพยายาชนะวิปัสนาที่ยังเป็นตรุณะอยู่ก็มีอุปกิเลตก็คือวิ ป, ปัสโนุิกเลสเหล่านี้เกิดขึ้นโอภาษก็ได้แผ่ไปทั่วนู่นเลยโลกธาตุต่างๆลำดับนั้นพระมหาบุุษไม่ติดอยู่ในรัศมีนั้นไม่ใส่พระทัยถึงรัศมีนั้นทรงดำริว่านี้ไม่ใช่หนทางเพื่อการปัศรุ แล้วได้ส่งพระไยมุ่งตรงต่อวิปัสนานี้เป็นมัคคามัคคยาณทัศนวิสุทธิของพระมหาบุรุษนั้นก็คือเป็นความหมดจดในความเห็นว่าอะไรเป็นทางและอะไรไม่ใช่ทางอุททยพย า, ยาทีนวะมหาวิปัสนาชื่อว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิก็คืออุทธยพยายานอาทีนวญาณแล้วก็มหาวิปัสนาที่เป็นไป ก็เป็นปฏิปทาญาณทัศนวสุทธิอริยมรตสี่ชื่อว่าญาณทัศนวิสุทธิวิสุทธิเจประการนี้ที่สืบต่อกันมาอย่างนี้เป็นทางแห่งพระนิพพานก็อีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าในอนาคตและพระพุทธเจ้าในปัจจุบันพระปัจเจกะพุทธเจ้าพระอริยาสาวกเหล่าใดจเจริญแม้เพียงตัจัปัญจกะธรรมฐาน ก็ได้อริยมรรต์หรือบุคคลใดฟังแม้เพียงโอภาสคาถาหนึ่งคาถาก็ได้อริยมรรต์หรือบุคคลใดได้แม้เพียงสโสดาปฏิพลนี้นั่นแน่ก็เป็นหนทางของพระพุทธเจ้าเป็นต้นแม้ทั้งหมดนั้นนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานดังพันนามาชะนี้ถ้ามีคำถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ชนแม้ทั้งหมดก็พึงเป็นผู้เสมอกัน ตอบว่าชนแม้ทั้งหมดจะไม่เสมอกันคือมีปัญญาต่างกันบ้างมีข้อปฏิบัติต่างกันบ้างมีศรัทธาต่างกันบ้างมีอัจฉิยสัยต่างกันบ้างเพราะเหตุนั้นชนบางพวกจึงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายตามสมควรแก่กำลังของตนแสนกับบ้างหย่อนหรือยิ่งกว่าแสนกับนั้นบ้างแล้วได้บรรลุพระอรหัตผลด้วยสุดตมยญาณชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวก ชนบางพวกบำเพ็ญบา ร, รมีทั้งหลายหนึ่งอสงไขยหนึ่งแสกัปถึงจะมีบางอย่างหย่อนและยิ่งกว่ากันก็บรรลุพระอรหัตผลได้ด้วยสุตตมยญาณชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นพระมหาสาวกชนบางพวกบำเพ็ญบา ร, รมีทั้งหลายสองอสงไขยหนึ่งแสกับแล้วได้บรรลุพระอรหัตผลด้วยสยามภูญานเป็นผู้สามารถเป็นปัจเจกกับชนเหล่าอื่นชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้า ก็หรือว่าชนเหล่าใดกำห น, นดอย่างตาสุดบำเพ็ญบารมีทั้งหลายสอ่องไข1หนึ่งแสนกับทําการบริจาคอย่างยิ่งใหญ่ห้าประการอันมิใช่วิสัยของชนเหล่านั้นแล้วได้บรรลุพระอาหันตพระประหัตผลด้วยสยามภูยานสามารถเป็นปัจจัยแก่ชนเหล่าอื่นฉลาดในโวหารแสดงธรรมอันลึกซึ้งโดยธรรมโดยอัดโดยเทชนาและโดยปฏิเวท ซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งอัปญาสัยอย่างหนึ่งอันละเอียดอ่อนด้วยในต่างๆแล้วยังนิพพานให้สำเร็จแต่ชนแม้เหล่าเหล่าอื่นได้ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ากรอบพระมหาบุรุษนี้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้เช่นนั้นสมจริงดังพระดำดัศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพระอนอนเถระผู้เป็นมุนีชาวแพนวิเทหะ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 ทีระชนเหล่าใดได้สังสมกุศล ส, สมทานไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆยังไม่ได้ความหลุดพ้นจากกิเลสในสาศาสนาของพระชินเจ้าทั้งหลายเพราะมุ่งต่อสัมโพธิญาณ น, นั้นและทีระชนผู้มีปัญญาแก่กล้าดีจึงได้บรรลุความเป็นพระสัพพัญญูด้วยอัจฉยาศัยที่เข้มแข็งและด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิสุทธิเจตการจบ สมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมอง อ, อ, มอ่อนเหมาะควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัค ย, ยานได้รู้ชัดตามวามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคารมิเนปฏิปทา นี้อาสวะนี้อาสวะสมุทยัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคาณินีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตได้ดูดพ้นจากการมสวะทาวาสวะอวิชชาสวะทิฏฐาสวะเมื่อจิตดุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ลแล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป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 คืออวิชาออกมาครั้งที่สามในยามที่สามแห่งราตรีของเราเหมือนการเจาะออกจากกระปาะไข่ของลูกไก่เะนั้นด้วยประการดังกล่าวมานี้ในขณะนั้นสิทธิสหสีโลกธาตุก็คือหมื่นจักรวาลแม้ทั้งสิ้นก็ได้มีแสงสว่างทั่วถึงกันแผ่นดินใหญ่ได้หวั่นไหวแล้วจนถึงน้ำรอบด้านคือน้ำรองพื้น ปุกพานิมิตสามสสองประการได้ปรากฏแล้วโดยในที่ท่านกล่าวไว้ว่าอาวาริตาเกนจิจัมมะนัทธากลองหุ้มหนังอันใครไม่ได้ประโคมก็ดังขึ้นเองเป็นต้นพระมหาบุุษผู้รู้แจ้งคุณอย่างนี้นั้นทรงดาริกว่าเราหลุดพ้นจากสังสารทุกข์ที่ยิ่งใหญ่หนอก็พุทธภูมิที่ยิ่งใหญ่นี้เราก็ได้แล้วชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เราก็กระทาแล้ว ทำมาจากสุที่ยิ่งใหญ่เราก็ได้แล้วอันหนึ่งเราสมควรแสดงธรรมแก่มหาชนแล้วปลดเปลื้องพวกเขาให้พ้นจากเครื่องพันธนาการคือพบเมื่อพระองค์ทรงดำริอยู่อย่างนี้ปีติอย่างยิ่งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นพระองค์เมื่อจะเปล่งอุทานด้วยกําลังปีติได้ทรงเปล่งอุทานนี้ว่าเราตามหานายช่างคือตันหาผู้สร้างเรือนได้แก่พบเมื่อไม่พบ ไม่พบโพธิญาณจึงต้องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติเพราะการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปนี่แน่นายช่างเรือนเราพบท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีกต่อไปซี่โครงเรือนคือกิเลสทุกซี่ของท่านเราหักแล้วยอดเรือนคืออวิชชาเราหรื้อแล้วจิตของเราถึงทำปราศจากเครื่องตรงแต่งแล้วเราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้ว พระพุทธรักษ์อตาจารย์เมื่อจะแสดงเนื้อความนั้นจึงกล่าวว่าปัตโตวิมุตติงวรเสตตะฉัดตังทรงได้สเวตฉัช์อันประเสริฐคือวิมุตเป็นต้นในคาถานั้นอธิบายว่าพระมหาบุรุษได้สเวตฉัช์อันสูงสุดคือพระอรหัตผลวิมุตติได้แก่ครั้งแรกทรงได้สเวตฉัตอันเป็นของมนุษย์ ที่พระเจ้าสุดโทธนะพระราชทานให้ครั้งที่สองทรงได้สเสวตฉัดอันเป็นทิพย์ที่เท้าสหัมบดีมหาพรหมประธานให้บัดนี้พระมหาบรุษประทับนั่งบนอปราชิตะบัลลังณโคนต้นโพปลาพยามารวสวัตดีจนท่ายแพ้แล้วทรงได้สเสวตฉัดคือวิมุตติกล่าวคืออรหัตผลที่พระองค์ทรงเผากิเลสทั้งปวงแล้วทรงได้มา ก็สเสวตชัติคือวิมุตตินั้นชื่อว่าฉัตเพราะเป็นเหมือนฉัต ด, ด้วยว่าบุคคลใดให้ยกสเสวตชัติที่มีหมวดรตนะขึ้นในการอภิเกบุคคลนั้นย่อมได้ความเป็นใหญ่ในราชสมบัติทั้งปวงพร้อมกับฉัตนั่นเองความเป็นใหญ่ในโลกทั้งสิน้นและความเป็นใหญ่ในธรรมพร้อมกับการบรรลุอรหัตผลมาถึงพระมหาบุรุษนั้นแล้วด้วยประการอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอาทหตตผลจึงได้วหานว่าสเสวตฉัดคือวิมุตติเพราะทำหน้าที่แห่งสเสวตฉัติแล้วพระมหาบุรุษนั้นให้ยกสเสวตฉัตรอันประเสริฐคือวิมุตติขึ้นอย่างนี้แล้วจึงได้พุทธสมบัติคือความเป็นพระพุทธเจ้าทรงมีพระไทยอาหารเพราะกำลังปีติจึงทรงเปล่งคือตรัสธรรมอุทานไว้คาว่าเฉตวานะมาเร ทำลายมารได้แก่ทำลายคือตัดมารทั้งห้ากล่าวคือขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารมัชฌุมารและเทวปตมารพระมหาบุรุษทรงเป็นผู้ชนะหมู่ฆ่าศึกแล้วทรงเป็นดุจ ด, ดวงที่วากอรดวงเดียวคือทรงเป็นดวงสุริยักษ์ที่ไม่มีสหายในพุทธเขตทั้งสามคือชาติเขตอาณาเขตและวิสัยเขต ในกาถานั้นที่ชื่อว่าทรงเป็นดุจดวงที่วากรดวงเดียวเพราะทรงเป็นเหมือนดาวที่ส่องแสงดวงอาทิตย์กําลังเพราะทรงเป็นเหมือนดาวที่ส่องแสงดวงอาทิตย์กําจัดความมืดส่องแสงสว่างเปิดเผยรูปมีหม้อน้ําและแผ่นผ้าเป็นต้นทําบอกทําดอกบัวให้บานฉันใดอั น, นึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ก็ฉันนั้นย่อมทรงกําจัดความมืดคืออวิชชา ทรงแสดงแสงสว่างคือพระญาณทรงประกาศธรรมทั้งหลายโดยในเป็นต้นว่านี้ขันห้านี้อญยตนะสิททองทรงทำดอกบวกัวคือความเชื่อของเหล่าชนผู้แนะนำได้ให้บานนี้คือความที่พระมหาบุุรนั้นทรงเป็นดุจ ด, ดวงอาทิตย์พระผู้มีพระพเจ้านี้ทรงเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาทั้งหลายในมนุษยโลกเทวโลกและกรมโลกทั้งหลาย ทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ประเสริฐผู้ทรงฉับทั้งสามจึงมีประการดังที่กล่าวแล้วอย่างนี้ทรงเป็นผู้สามารถยังติสหัสสีโลกธาตุมหาสหัสสีโลกธาตุให้รู้แจ้งด้วยพระตุระเสียงใครเล่าจะกลายเป็นคนบ้าในบรรดาชาวโลกผู้เห็นแสงสว่างของพระพุทธเจ้าใครเล่าที่มีศรัทธามีปัญญาไม่ถึงไหว้พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ข้ามพ่วงกิเลสได้แล้วผู้มีปัญญาดีย่อมนอบน้อมผู้สลักปราสาต ร, ราชวังไปถูปา่าสลักสิ่งที่มีมนทินถือเอาสิ่งที่ไม่มีมนทินไปดีแล้วสู่สุขติไม่ดำเนินไปสูอภิติผู้ที่มนุษย์และเทวดานอบน้อมแล้วผู้อันใครใครประมานมิได้พัานานาการตัดสูในคำพีชินารังการะ ที่ให้ความเพื่อเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยประการชนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านทั้งหลายผู้มีโสตบุญยานันเป็นกุศลวิบากที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระบริสัทธ์และความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตัดสุรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศพระสัทธรรมพระธรรมจักรแสดงไว้จนกทั่งถึง 2,500 กว่าปีนี้แล้ว 2,500 กว่าปีนี้แล้วแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้ว เราก็ยังตามนอบนอบูชาสการะแล้วก็ได้ยังได้ฟังพระธรรมของพระองค์ความเป็นใจของพระองค์ก็ก่อให้ขุศลปิติประโมทร้อมทั้งศรัทธานี้จงเป็นปัจจัยแก่ไตรสิกขาเพื่อที่จะบรรลุธรรมที่ทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไม่ตายต่อไปในอาการในในการอันใกล้นี้ด้วยเถิญสาธุสาธุสาธุ